พ่อชงเจ็ดที่พิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงทําให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์คือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชงอันอาศัยวิเวกความสงัดอาศัยวิราคะความคลายกาหนัดอาศัยนิโรธความดับอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง 2. จเจริญธรรมวิจยยสัมโพชงสามเจริญวิริยะสัมโพชงสี่เจริญปีติสัมโพชงห้าเจริญปัสสติสัมโพชงหกเจริญสมาธิสัมโพชงจเจ็เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปล่อยวาง ภิสุทั้งหลายโพ้ชงเจ็ดที่พิสุเจริญแล้วอย่างนี้ทําให้มากแล้วอย่างนี้จึงทําให้วิชาและวิมุติบริบูรณ์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาสิทธินี้แล้วภิษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลอาณาปานสติสูตรที่8จบ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 ได้เกิดการสนทนากันขึ้นในระหว่างการประชุมว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายน่าอัศจริงจริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีประภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสกายคตาสติที่ภิกษุเจริญทําให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอนิสง ม, มากเรื่องนี้มีเพียงเท่านี้ที่ภิกษุเหล่านั้นสนทนากันค้างไว้ ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากที่ทรงหลีกเกร้นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้แล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลานี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาส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 สำเนียกว่าเราระ ง, งับกายะสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระ ง, งับกายสังขารหายใจออกภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยเรือนได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้น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 ย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม่ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับ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 หรือตายแล้วสามวันเป็นศพขึ้นเอ่ดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิม้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้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 ีประการหนึ่งพิษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแรงทึงกินนกตะกรุมจิกกินสุนักกัดกินสุนักจิ้งจอกกัดกินหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดพิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น ไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายยคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูก มีเนื้อและเลือดมีเอ็นเรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื่อนเปรอะมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่แม้ฉันใดละถึงเป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นเรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือ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 การหนึ่งภิสุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังละถึงเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีละถึงเป็นกระดูกผุ่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจรารนาไกยนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้น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 ละถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม่ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่ม ด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกทราบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องห่วงน้ำเป็นวังวนไม่มีทางที่กระแสน้ำจะไหลเข้าได้ทั้งด้านตะวันออกด้านตะวันตกด้านเหนือและด้านใต้ฝนก็ไม่ตกตามฤดูกาลแต่กระแสน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้านั้น แล้วทำห่วงน้ำนั้นให้ชุ่มชื่นเอิบอาบเนืองนองไปด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนของห่วงน้ำนั้นที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดพิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกทราบส่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้อง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 บรรลุตติยฌานอยู่เธอทํากายนี้ให้ชุ่มชื่นเ อ, อิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกทราบร้านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนในกออุบลกอปถุมหรือกอบุนทริกดอกอุบลดอกปทุมหรือดอกบุนทริกบางเหล่าที่เกิดเจริญเติบโตในน้ายังไม่พ้นน้าจมอยู่ใต้น้า มีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นเอิบอ า, าบซาบซึมด้วยน้ำเย็นตั้งแต่ยอดถึงเงาไม่มีส่วนไหนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปิติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปิติจะไม่ถูกต้องภิกษุผู้ไม่ประมาท และถึงภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจจตุตชาญอยู่ เธอมีใจแอมบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจแอบบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันมีใจแอนบริสุทธิ์ผุดพองนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้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 ย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นมหาสมุทต์อันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัส ด, ด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุททย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้นแม้ฉันใดกายกคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชา ย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกายกตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเวียงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียกเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือ ก้อนศิลาหนักนั้นจะพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายยัคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทําให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้แห้งสนิทต่อมาบุรุษนาไปทาเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่า เราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าขา้าภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทาให้มากแล้ว มารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ําว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ํานั้นมาทําเป็นเครื่องตักน้ําเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ําได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายยคตาสติ อันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายยกตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แข่นล้วนเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แข่นล้วนได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทาให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมา บุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะ ก, ก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อ น, นั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นเอาไม้สดที่มียางโนนมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิสุรูปใดรูปหนึ่ง จเจริญทำให้มากแล้วมานย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือหอม้อน้านั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ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 เมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเสมอขอบปากพอเทียกาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลังพึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะ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 ในพื้นที่ราบที่เขาพูนคันไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสะโบครณีนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลามาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่าภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายยคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจเจริญทาให้มากแลภิกษุนั้น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 ย่อมถึงความเป็นผู้ประจากษ์ชัดในธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อกายะคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไวหนึ่งเนืองสั่งสมแล้วปรารบเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงส0ประการ น, นี้คือหนึ่ง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 เป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบาก 5. บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏละถึงใช้อำนาจทางกายไปจนถึงโพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียงสงชนิดคือ 1. เสียงทิพย์สเสียงมนุษย์ ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กํากำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะหรือจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะจิตหดหูหรือจิตฟุ้งซ่าน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 ย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืงสั่งสมแล้วปรารบเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอนิสงสิปรกรนี้ได้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 สังขารูปฏิสูตว่าด้วยการเกิดขึ้นแห่งสังขารปฏิปทาอันให้สำเร็จความปรารถนาเขาพระเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดขึ้นแห่งสังขารแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับคตยะมหาศาลเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทาให้มากแล้วอย่างนี้ เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขติยะมหาศารนั้นได้ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในขติยะมหาศาลนั้นภิกษุทั้งหลายอีประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า โอนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรามเนี่ยมหาสาลและถึงหรือพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับข้าบเดีมหาศาลเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นสังขารและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในข้าบเดีมหาสารนั้นได้ภิษุทั้งหลาย มรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นในค้าบดีมหาศาลนั้นอีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะ ประกอบด้วยปัญญาภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นจาตุมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นจาตุมหาราชเธอตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้น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 ภิกษุนั้นได้ฟังว่าเทพชั้นเดวดึงและถึงเทพชั้นยามาเทพชั้นดุสิตเทพชั้นนิมมานรดีหรือเทพชั้นปรนิมิตวสวสดีมีอายุยืนมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขมากภิกษุนั้นมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอหลังจากตายแล้วเราพึงถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทพชั้นปรนิมิตวสวสดี